ถาหว่าฝ่ายไหนไม่เป็นธรรมอย่าเข้าอจะไปเข้าฝ่ายกิเลสถึงจะเป็นฝ่ายชนะเขาก็เถอะการชนะมานั้นชนะแบบไหนตั้งที่เขาให้ชกมวยสากรตัวเองขึ้นไปทั้งกัดทั้งควนทั้งศอกทั้งเขา่าตีเขาชนะชนะแบบนั้นแปลว่าชนะเอ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 แต่ถึงยังไงเราก็ต้องฟังเอาใจช่วยเออเอาใจช่วยแต่ถึงยังไงเราอยู่ทางนอกเรามีแต่อธิษฐานจิตเทพเจ้าเหล่าเทวาตั้งหลายเออผู้ที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตชาติที่ตายไปแล้วไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรมไหนผู้มีฤทธิ์อำนาจเทพเจ้าเหล่าเทวาพระจียมเทวาธิราช ควนาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ประพุติปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเป็นผู้มีศีลมีธรร ม, ม, รรมก็ขอให้คุ้มครองประเทศชาติชาติไทยของเราให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจะให้ถึงกับนองเลือดฆ่ากันเองลูกหลานพวกเรามติดตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจให้ไปในทางที่ดีให้ไปในทางที่ถูกต้อง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 แต่ทองคำมันมีอยู่หน่อยหนึ่งแต่ถึงยังไงทองคำก็ต้องมีคุณค่ายิ่งกว่าตะกั่วนี่ก็เหมือนกันถึงอาธรรมจะมากมายแต่ว่าธรรมคือความถูกต้องคือเหตุผลนั่นนะคือความถูกต้องความเป็นธรรมนะนะั่นแหละถึงจะน้อยนิดก็มีคุณค่ายิ่งกว่าอาธรรม ที่มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นพวกเราจะเอาตะกั่วหรือจะเอาทองคําถึงจะน้อยนิดก็พวกเราก็ปราถนาทองคําไม่ปราถนาตะกั่ตกวตะกั่วก็ใช้ไปอีกแบบนึง่งแต่ว่าทองคําเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าฮเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะ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 ที่อำเภอสังคมที่หลวงพ่อเล็กกับคณะสัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมของท่านได้สร้างให้สาธารณประโยชน์ราคาสี่ล้านเจแสนบาทมั้ที่เขายกป้ายขึ้นเมื่อวานนี้นายแพทย์กเกษมวัฒนาชัยองคมวลตรีกับพร้อมกับคุณหญิงมาเป็นประธานแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในอำเภอสังคมหัวหน้าส่วนราชการ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 มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราหนีออกจากสามกลุ่มนี้มีแต่ความหายยนะถึงจะว่าดตัวเองเออมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงก็เถอะอีกสักวันหนึ่งถ้าขาดศีลธรรมเข้าไปแล้วพวกท่านทั้งหลายจะร้องใหออ้อยู่ภายในใจของพวกท่านทั้งหลายลึกๆถึงพวกท่านทั้งหลายจะยกย่องว่ามีความสุ ข, ขก็เถอะเพราะขาดศีลธรรม ในสามกลุ่มนี้กลุ่มที่สองก็คืออะไรคารวาตธรรมธรรมของคารวาดที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้หนึ่งสัจจะการทำมาค้าขายด้วยกันจะเป็นประทัดเทตลาวกัมพูชาเวียดนามอะไรก็ตามท้าว่าสิ่งท่งสิ่งของก็ส่งตามสัจจะจ่ายเงินก็ต่ายจ่ายตามสัจจะที่ตกลงกันไว้คือให้มีสัจจะ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 จาค่าให้มีการเสียสละมีน้ำใจการทำมาค้าขายการอยู่ด้วยกันบางครั้งก็ต้องหย่วนถึงจะไม่ถูกใจเราก็าเถอะแต่ถึงยังไงเขาวนี้ของข้าเขาหน้าของเองก็ต้องบอกบอกกันต้องรู้อันนี้ก็คือจาคะต้องมีการเสียสละอันนี้ก็คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือทิศทั้งหกทิศทั้งหก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 ทิศเบื้องบนสั ม, มณพราหมสมมณพราหมกอย่างหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเนี่ยอยู่เบื้องบนถ้าหากลูกหลานทําไม่ดีไม่เหมาะไม่สมเข้ามาหาสั ม, มณพราห ม, ม, มณพราหมก็ให้คําแนะนําอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรเนะ่ลูกหลานเนะ่าไม่ควรจะทําอย่างนั้นอย่างหลวงพ่อได้พูดว่าเนี่ยมารดาเป็นปิดาเป็นบุพพ า, า, ารจามารดาปิดาเป็นพรหมของบุตร แมรดาบิดาเลี้ยงดูลงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบอยังเนี่ยอันนี้คือสมมณพราหมณ์จะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสิ่งควรไม่ควรให้กับคณะลูกหลานน่ยแต่ว่าพวกลูกหลานไม่เคยเข้าไปหาใครมีแต่พยองพองตัววากาเนี่ยแหละเหนือใครทั้งหมดอีกไม่นานเจ๊งได้ง่ายๆเหมือนกันไม่ยอมฟังคําใครเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเกิดมาในโลกเราต้องอยู่ในทิศทั้งหต้องเป็นผู้ศึกษา ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆในเรื่องรอบด้านอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรพวกลูกหลานทั้งหลายคณะนะพวกเราท่างหลายถ้าอยู่ด้วยกันแล้วนั่นะจะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยศิลด้วยธรรมนะถ้าว่าอยู่ด้วยกิเลสโลภโกรดหลงแล้วคณะนะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นทุกวันนี่นะใครกว่า พวกเราได้ยินไหมในสื่อต่างๆบางทีอยากจะปิดสื่อไม่อยากจะฟังอีกต่างหากไม่อยากจะฟังก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเ อ, อทางนี้ทีไล่ไปยังไงเราก็ต้องได้ฟังจะ ต, ต้องได้ศึกษาแต่ตอย่าไปฟั ง, อ ง, ฟงเอามากๆเครียดอีกเหมือนกันนะเครียดตรงนั้นเถอะเครียดกับสั่งสิ่งเหล่านั้นเราต้องรู้จักแยกแยะเรารู้จักปล่อยวางเรารู้จักอันไเหมาะในควร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 มันไม่ถูกนะเออเป็นอย่างเนี้ยอย่างนั้นเออนี่แหละศาสนาก็คือต้องใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปโลภเกินไปนะออย่าไปใช้โทสะจนเกินไปนะอย่าไปใช้ความรุ่มหลงจนเกินไปนะเออคิดว่าตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเออตายนะอีกสักวันหนึ่งนะเพราะนั้นก่อนที่จะตายเลยควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้นะเออเห็นไหม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 ที่ในหลักบาลีท่านพูดเมื่อวานเนฟังฟังก็น่าฟังของท่านเหมือนกันนะอาต่อนี้ไปรับรใ น, สนิสเนนะคณะตาญาติโยมลูกหลานมาวัดกันนั่นละหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่หลวงตาก็อ้อนให้แนวความคิดสำหรับลูกหลานนำไปคิดดูซินำไปพิจารณาดูซิมันถูกต้องมันเป็นธรรมไหมนี่แหละให้เป็นทางใครเข้า่าชี้น